50 languages. 9ประโยคคำสั่ง Imperativo. คุณขี้เกียจเหลือเกินอย่าขี้เกียจนักเลย It's m l m a n d r o s คุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึกดอร m มส์มัลดาเทมส n โ d ดอร์มิ a ตันด e เทมคุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึกคุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิ Rius molt fort, no riguis tan fort. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิปร์ลัสมอลบายช์โนปร์ลิสตันบายคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิ u s massa, no beguis tant. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลยฟุมัสมาซาโน่ฟุมิสตัคุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไป trabayas masa no, no trabajes no tan คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลยค o n ดูเ e s m ชสมอลแรป no c o n d u ุณดูเอชิสตันแ ลุกขึ้นค่ะคุณมิวเลอร์เชินเชิญนั่งค่ะคุณมิวเลอร์นนั่งต่อค่ะคุณมิวเลอร์เคดจเย็นใจเย็นๆนะคะมีเวลาไม่ต้องรีบ เร่งกิสต์เอสรอสักครู่นะคะอสเปริอุ o m มเมนระวังนะคะบาจิมกุมต์กรุณามาให้ตรงเวลานะคะออย่าโง่โนส